เพราะความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงปู่ติยานกำลังนำเสนอเรื่องอริมักมีองค์แปดประการในส่วนของศีลสิกขาสามข้อหรือสมาวาจาสมากมรมตะและสมาชีวะก่อนจะขึ้นไปสู่สมาวายามะซึ่งเป็นส่วนของจิตสิกขานั้น ก็แค่จะนําท่านผู้ฟังไปฟังที่เป็นบพุทตํารัดเปื้ตรงว่ารับสั่งไว้อย่างไรบ้างดับสั่งว่าดูกรอนพิสูจนทั้งหลายสมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการกล่าวเทศเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากวาจาโสเสียเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากวาจาหยาบ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากเจรจาสำหรับเพื่อเจอคือแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยจะใช้คำว่าเวรมณีสัมผัสปลาปาเวรมณีซึ่งแปลว่าเพื่อเจอริเนี่ยไม่มีคำว่าวาจาอยู่ส่วนคำยาเรียกว่าพรุะวาจายะแล้วก็คำโสเศษก็เรียกว่าปิสุนาวาจายะ มาจาเฉยนะแต่ว่าประกอบปิพัสน์แล้วก็เป็นอย่างนั้นตกตโมจะพิกขเวสัมมากัมมันโตตัวกรรเชื่อทั้งหลายสัมมากัมมันตะวิรัติธรรมเป็นเครื่องกระทํำชอบเป็นอย่างไรปานาติปาตาเวรบัณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการโถสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากประพิตผิดในทางกาม ดุก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าสัมมากมัรมตะดุก่อพิสูจน์ทั้งหลายสม า, าชีวะเป็นอย่างไรดุก่อนพิสูจทั้งหลายพระยาสาวกในธรรมอิ น, น, นัยนี้ละความเลี้ยงชีพผิดเสียแล้วย่อมเส้เบ็ดความอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพชอบคือสัมมาวยามะเนี่ยสาัมม า, าชีวะมันพูดยากเพราะว่าคนมีอาชีพแตกต่างกัน สมาชิกของคนหนึ่งอาจจะเป็นมิจฉาชีพของอีกคนหนึ่งก็ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าสมาชิกของพระโดยการเที่ยวพิคคาจารย์บินทบาทเนี่ยถือว่าสมาชีพที่สุดแท้ต้องประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานะสมมุติ ว, ว่าเราไปบินทบาทในต่างประเทศที่เขาไม่นับถือพระพุทธศาสนาสังคมและกฎหมายไม่ยอมรับปาาระกัน เทวปิการจารบินทบาทเป็นการกระทําที่ถูกต้องและควรยกย่องสรรเสริญเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะถูกจับปิดคุกก็ได้เห็นว่ามันเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับกาละเกี่ยวกับเทสะเกี่ยวกับการกระทำแต่ว่าประชาบ้านเข้าไปเนี่ยเกิดนึกขลังขึ้นมาอยากจะบินทบาทด้วยมันก็โดนจับเลยดังนั้นก็ทรงให้นิยามเป็นกรอบเอาไว้ ว่าอาเยสาวกในโลกนี้ละการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดมาดํารงชีวิตในทางที่ชอบอาชีพแต่ละอาชีพนั้นก็มีกรอบมีหลักการในการประพฤติ ป, ปฏิบัติเฉพาะตัวของบุคคลหตนนั้นอยู่แล้วก็สําคัญว่าทําหน้าที่ของตนให้ถูกต้องกันแล้วกันเพราะว่ามีลักษณะเป็นอาชีพบางอย่างก็มีลักษณะเป็นหน้าที่ดังนั้น เวลาพูดในแวดปบงบางเรื่องยกตัวอย่างไว้เช่นว่าในแวทบงทหารเนี่ยการทํางสงครามการต่อสู้กับข้าศึกการป้องกันอันตรายทั้งหลายเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะของทหารแต่ถามมัในแง่บาปบาปไหมก็บาปก็ในแง่หน้าที่นี่ถูกต้องไหมก็ถูกต้องในแง่ก็หน้าที่พอเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะค้าวเกี่ยว สังคมเองก็ต้องมีคนส่วนหนึ่งจงเสียสละเพราะดับศีลธรรมจัญยาเนี่ยเอาก็จริงแล้วเนี่ยจะหาบริสุทธิ์ได้ยากนะนรเพราะว่ามันจะต้องมีภารกิจบางอย่างซึ่งสถานการณ์หนึ่งอาจจะไม่ทำแต่อีกสถานการณ์หนึ่งมันถึงทางเลือก เ, ออเช่นสมมติว่าเราเราสมาทานศีลห้าไปขอปานานะยกตัวอย่างขอปานาเนะี่ย เราไปถึงบ้านเนไม่มีใครมีจะมีลู ก, เ, กเล็กๆหรือว่าคนแก่ที่กำลังหิวแล้วก็ไม่มีอาหารถ้าจะกินก็ต้องฆ่าสัตว์มันก็กลายเป็นทางเลือกแล้วเราจะเลือกอะไรล่ะเลือกให้ลูกร้องหิวโหยลูกให้จะปล่อยให้คนแก่เขาหิวตายไปได้ออยังไงมันก็ต้องคิดเอา แต่หมายความมาส่วนผิดก็ต้องผิดส่วนถูกก็ต้องถูกเพราะว่าธรรมะมันเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาเพียงแต่ว่าถ้าใครศึกษาประพฤติปฏิบัติได้ต่อนเนื่องยาวนานก็เป็นประโยชน์เป็น ค, คุณความดีแก่ท่านเหล่านั้นแต่ว่าบางคราวบางคราวทําไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ในประการต่อไปนั้นเป็นเรื่องของจิตสิกขานะฮะ ประกอบด้วยเรกนักสามข้อคือสมาวิยมะสมากัมมันตะใช่ไม่ใช่สมาวิยมะสมาสติสมาสมาธิคือตามปกติเราไม่ค่อยพูดถามโครงสร้างประพฤติมรั์สมาวิยมะเนี่ยคือเราเรียนท่านสรุปรวมไว้ในหนังสือโนบโัว วันหนึ่งสังวรประธานเพียรระวังแม่บาปอกุศลเกิดขึ้นในสันดานสองผานประทานเพี่ยรละอกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วสามภาวนาประทานเปลี่ยนให้กุศลมันเกิดขึ้นในสันดานสี่อนุรักษณาประทานเปลี่ยนให้กุศลที่เพลียนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสือส่อมโดยมากเราจะพูดในแนวเนี้ยคือสื่อสารกันง่ายแล้วก็ฟังกันง่ายแต่ถ้าเราดูถึงหลักที่ทรงสอนในแนวการปฏิบัติ คืออย่าลืมว่ามันจะต้องมีฉันักคือความพอใจที่จะประพฤติจกักทาเช่นนั้นวันจึงทรงแสดงว่าลูกกรพิษุทั้งหลายสมาวายามะความพยายามชอบในเป็นอย่างไรลูกกรพิษุทั้งหลายพิษุในธรรมีในนี้หรือว่าพิษุในคือคือคือที่จริงคำว่าพิษุในที่นี้ไม่ได้หมายถึงนักบวชนะ รกอบความหมายครอบคลุมถึงพฤติกรรมของคนดีทั้งหลายเพราะว่าคําว่าภิกษุบางทีนี่ก็แปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัตินั่นก็ทำให้นึกถึงการที่จะรื้อเพื่อนภิกษุณีขึ้นมานะเราจะเห็นว่าภิกษุณีก็คือผู้เห็นภัยในสังสารวัติและการเห็นภัยในสังสารวัตรปฏิบัติพัฒนาตนัวในหลุดพ้นจากสังสารวัที่จริงมันไม่มีรูปแบบอะไร ไม่จําเป็นจะต้องได้สถานะอะไรมันอยู่ที่การศึกษาการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสําคัญเพราะคำามาบวชก็แปลเว้นบาตเท่านั้นเองแต่รูปแบบนั้นเป็นรูปแบบที่ทรงสร้างขึ้นเป็นทางเลือกของพระพุทธเจ้าสมัยโน้นสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วเมื่อการต่อมาเมื่อทรงประกาศธรรมะอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นๆเราจะเห็นว่า ท่านปัญญวคีท่านก็สมัครใจที่จะขอบุตรแต่ตอนนั้นพระเจ้าก็ะรงประชดอยู่ก็ทรงประทานพุท ธ, ธานุญาตเอาไว้มาถึงยุคที่นางพระมาหาประชาบดีโคจามีท่านทรงประนุดไปแล้วแล้วขอให้พระพุทธเจ้าทรงประทานพุท ธ, ธานุญาตเพราะว่าประธรรมวินัยของพระเจ้าศาสนาของพระเจ้าเมาื่อพระเจ้ารับสั่งยอมรับท่านก็เป็นฮะ แต่ว่าพอถึงพวกสากยานีทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชให้เองเนี่ยก็ทรงประทานพุทธานุญาตให้บวชในทํากลางสูงก็จบเท่านั้นต่อจากนั้นมันก็อยู่ในเงื่อนไขของครูธรรมแปดประการแล้วหมายความว่ามันต้องบวชจากสูงทั้งสองฝ่ายแต่ท่านก็ต่อกันมาได้นะประมาณรัคาหกร้อยปีเนี่ยก็ต่อกันมาได้แต่เมื่อท่านต่อไม่ได้ การรูปแบบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าการเห็นภัยในสงาาังสารวัฏเดียเกิดได้การประพฤติปฏิบัติตามหลักปัญญาสิกขายังเกิดได้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เกี่ยวกับเพศอะไรเพราะในแนวของสัมมาวยามะนี่ทรงแสดงว่าให้ปลูกฝังความพอใจนะเพื่อจะยังอกุศลอันเป็นบาป ท, ที่ยังไม่เกิดแม่เกิดขึ้นหมายความว่าโดยพื้นฐานในด้านจิตใจเนี่ยเราต้องมองเห็นโทษ ของอกุศลทุจริตทั้งหลายที่ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิดแล้วใครๆก็ได้เจนนนายกไปฆ่าเขาก็แสดงอากุศลได้เกิดแล้วกับ น, นายกจนถึงไปฆ่าเขาจนติดศีลข้อที่หนึ่งไปแล้วนายขอไปลักทรัพย์เขาก็เป็นอากุศลทุจริตที่ทําให้นายขอซึ่งเป็นคนดีๆนี่นกลายเป็นโจรไปแล้วเราก็มองเห็นโทษในการกระทําเช่นนั้นก็ ป้องกันตัวเองสำรวมระวังนะที่จริงคือป้องกันตัวเองแต่ว่าอย่าลืมว่ามันไปเข้าถึงใจด้วยคือใจที่เหนียวนึกจึดนึกเนี่ยถ้ามันนึกไปด้วยอำนาจของกิเลสมันก็ถือว่าเป็นอกุศลได้กันนะเราก็ย้อนกลับไปข้างต้นนะย้อนกลับไปที่สมาวาจาสมาธปันตะหรือเลือกไปที่กุศลกัมบทสิบก็ได้ เราสังเกตว่าแนวกุศลกับบทสิบางอย่างมันไม่ผิดศีลกายก็ไม่ทุจริตประจีก็ไม่ทุจริตแต่ามาโมมันทุจริตเพราะในการห้ามกันเหล่านี้มันต้องห้ามไปที่ตัวถึงห้ามไปถึงความคิดหมายความมาไม่เหนียวนึกตรุดนึกด้วยแรงของกิเลส ท, ทั้งหลายแม้เห็นรูปด้วยตาจะเห็นรูปโดยตาเนี่ยไม่เกิดโลภะไม่เกิดราคะไม่เกิดโทสะ ไม่เกิดอาฆาตพยาบาทตั้งดวงระวังใจเอาไว้รูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสเย็นร้อนนอนแข็งก็สักแต่ว่าเย็นร้อนนอนแข็งเพราะในการตัร้งดวงระวังก็เข้าถึงใจเพราะว่าไอ้ทุจริตทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาจากใจคิดก่อนพอใจคิดก็พูดไปตามที่ใจคิดทําไปตามใจคิดทุจริตต้อออกมติกายรือวาจา การกระมืระวังในที่นี้การป้องกันในที่เนี้ยมันก็ถึงทําได้สามช่วงนะช่วงแรกก็คือสกัดกั้นความคิดเอาไว้ไม่เหนียวนึกจุดนึกด้วยอํานาจของกิเลสตั้งหลายมันก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจมันก็ส่งใช้คําว่าให้ยังความพอใจให้บังเกิดแล้วก็ต้องพยายามนะความพอใจบางทีมันไม่เกิด ก็คือก็ต้องปลูกฝังความพอใจไปเรื่อยๆซึ่งเราต้องเห็นโทษในชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองชัดเจนเพราะคนเราถ้าจะหนักว่าตัวเองเป็นที่รักของตนแล้วเนี่จะตั้งตนไว้ในทางที่ดีแต่การพูดทุจริตทำทุจริตคิดทุจริตเนี่ยไปตั้งจิตไว้ในทางที่ผิดตั้งกายไว้ในทางที่ผิดตั้งวาจาไว้ในทางที่ผิดนั่นก็แสดงว่าเราไม่รักตนเอง ไปดึงภัยอันตรายซึ่งอยู่ไกลตัวในเข้ามาสู่ตัวเองตนที่ว่าเป็นสตูต่อตนเองมันไปขัดแย้งกับสถานภาพที่เรียกว่าตนความรักอื่นเสมอโดยรักตนไม่มีนัตติอตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอโดยรักตนไม่มีแต่ว่าการกระทําบางอย่างมันเป็นการทําลายตัวเองสร้างความ สร้างความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับตัวเองท่านก็ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดให้เราสังเกตว่าแนวศีลที่เป็นศีลสิกขาทั้งสามัรรคตะกี้เนี่ยหรือสามมารกรรมตะเนี่ยเช่นว่าฆ่าเองใช้คนอื่นฆ่าอันี้มันมั น, ม, นมันต้องป้องกันมาความป้องกันว่าเราไม่ฆ่าเอง บาปมันยังไม่เกิดนะฮแต่เราไม่ฆ่าในยะบาปไม่เกิดก็ป้องกันไม่ฆ่าเองแล้วก็ไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าข้ามใจตัวเองเอาไว้ไม่ <c oughs> ยกย่องส่งเสริมสนับสนุนคนที่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ชื่นชมยินดีต่อคนที่ฆ่าสัตว์นั้นก็แสดงว่าการป้องกันก็ป้องกันอาการกายว่ า, จาใจของเรานั่นเองในกรณีที่อกุศลมันยังไม่เกิดเราไม่ต้องการให้มันเกิด พอรู้แล้วว่าถ้าเกิดมัน่วงเหนียวไปสู่นรกได้สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตัวเองได้ก็พยายามป้องกันเอาไว้เพราะงั้นแนวการปฏิบัติเนี่ยสงสอนไปรู ป, ปรธรรมเมื่อน่งนี่ให้ปลุกฝังความพอใจแล้วก็พยายามพยายามไปเรื่อยๆพยายามเท่าที่พยายามไปได้มันเป็นการต่อสู้คล้ายๆกับการรถถบทัพจับศึกในสงครามนะ มันก็ลุกไปได้เท่าที่ลุกได้ก็ในการรบในหลักของการรบจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งก็รักษาที่มั่นเอาไว้บางครั้งก็ลุกเท่าที่ลุกได้บางครั้งถ้าเรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเราก็ลบแตกหักเลยแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าร่นออย่าถอยร่นเพราะงั้นท่านจึงเรียกคนที่บวชแล้วศึกเนี่ยว่า ยินาย ว, วัตติคือหมุนมาเพื่อความเป็นคนเร็วความเร็วในที่นี้ไม่ใช่คาหยาบนะฮะหมายความมาลดสินตัวเองลงมาจากสองร้อยเจ็ดข้อหรือห้าข้อโดยบางคนรักษาไม่ได้ด้วยเป็นการปฏิบัติที่ถอยหลังเหมือนคนต้องการจะไปในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถ้าเดินถอยหลังอย่างยีไม่มีทางที่จะถึงได้นะเรื่การต่อสู้กับกิเลสเหมือนกับต่อสู้กับ กำลังฆ่าสึกที่บุกรุก ป, ประเทศเราเปรียบร่างกายเป็นเมืองนครจิตเหมือนพระราชาพระเจ้าจิตรราบมีหน้นาที่ป้องกันดันฆ่าสึกเอาไว้อย่าให้เข้ามาให้ได้แล้วก็บางจังหวะที่เราพอจะลุกได้ลุกเท่าที่ลุกได้ไม่ใช่ลุกบุมบามออกไปหรือว่าลุกจนไม่ดูหน้าดูหลังมันไม่ได้เราลุกเท่าที่ลุกได้ แต่ตรงไหนมั่นใจละ่ะกรณีไหนที่ที่เรามั่นใจว่าเราสามารถรบแตกหักได้มันก็รบแตกหักลงไปเลยอย่างในกรณีของศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าบางอย่างมันลบแตกหักได้เช่นสมมติว่าเราปฏิญาณเด็ดขาดเลยไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่ไม่ฆ่าสัตว์ที่เราเห็นได้ด้วยตา ไอ้ส่วนที่เราไม่เห็นเราก็ไม่รู้ว่าไงแต่ยังมีเจตนาฆ่าโดยวการรักทรัพย์เนี่ยปฏิญาณเด็กขาดว่าจะไม่รักทรัพย์ไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยก็ตามจะไม่ยินดีในทรัพย์สินเงินทองของบุคคลเด็กมันอยู่ที่การเราปรับใจเป็นความรู้สึกในครั้งแรกกต่นั้นเด็กคือถ้าเราปรับใจไว้ได้มันไม่มีอะไรอะ เหมือนคนที่ทำงานแล้วเกี่ยวข้องกับเงินอย่างพวกธนาคารทั้งหลายเนี่ยนะเงินผ่านมือแกวันหนึงบางทีเป็นร้อยรอยล้านเลยนั่งนับเงินเันเินตาเบียดตาดตเจตเ้็นมองเป็นงาน น, นั่นเองคือไม่มองมันเป็นเงินเพราะความโลภในเงินตรงนั้นก็ไม่เกิดขึ้นแนวความคิดตรงนี้หลายปีไปแล้วก็ชอบใจความคิดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะทุกวันก็ไม่จะเด็กแล้วมานานแล้ว แต่มาชอบขอาความคิดเขา่าคือนำมาเล่าให้ลูกสาวสวสรีวิทยาเขาฟังเกือบทุกปีคือแกหยิบเงินจากวัดเป็นยมะบบคิดนานมาแล้วนะฮะประมาณสี่สิบปีสามสิบสามสิบกว่าปีมีสี่0มืห้าพันบาทสมัยนั้นนะฮะเงินสี่หมืนห้าพันบาทเด้ไม่เบา เด้อเธอมองซ้ายมองขวาไม่เห็นคนสงสารเจ้าของทรัพย์ก็เลยก็เปิดดูรู้ชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็ติดตามมาถึงบ้านไปถึงก็ซักถามก่อนฉลาดนะฮะซักถามก่อนคนคนนั่นก็เล่าอะไรให้ฟังเด้วถูกต้องทรงกับหลักฐานที่ก็เห็นแกก็มอบให้ ถามมันนี้เป็นเงินกองหลุงใช่ไหมคุณน้องก็เดียววิจัยนะเก๋ก็ยกมือไหว้อะไม่สวดถามเรียบร้อยยกมือไหว้ไม่มีปัญหาอะไรยกมือไห ว, ว้เอง ก, ก็กรรมพอถามชื่อก็ไม่บอกถามโรงเรียนก็ไม่บอกถามบ้านก็ไม่บอกแล้วกลับมาถึงบ้านแก๋ก็ไม่พูดกับใครไปโรงเรียนก็ไม่เล่าเพื่อนเล่าครัวได้เลยถือว่าเป็นงานที่ตัวเองต้องทำแท่นั้นเองมากขึ่งนะฮะ แล้วก็ต่อมาท่านผู้เนี้คือจําอักษรย่อที่ปักที่เสื้อนี่ได้ท่านมายืนมองอยู่ที่ทางเข้าออกโรงเรียนเนี่ยหลายวันกว่าจะเจอเด็กได้เนี่ยเพราะเด็กเวลาแกแต่งตัวนักเรียนเนี่ยดูย า, นะยากนะคือจํายากแล้ในที่สุดเมื่อพบกันแล้วก็สอบถามจนได้รับยกกล้องได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นนะครับนั้น แต่มาชอบประโยชน์ที่แกตอบนักข่าวนักข่าวถามว่าทําไมน้องไม่เอาซะเองล่ะมันไม่มีคนเห็นเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่สอนหนูไว้ป่าให้เห็นเงินคนอื่นเหมือนเศษกระดาษเพราะะ น, นเมื่อมองปับ๊บเธอก็รู้ว่าเป็นเศษกระดาษมันไม่ใช่ของเธอก็คือเศษกระดาษไม่มีคุณค่าจนถึงกระตุ้นโลภะเพราะอะไรล่ะ โดยดะเห็นาการของจิตว่าเพราะว่าตัวโมหะนี่มันถูกใช้เป็นปัญญาถูกขจับจนมีปัญญาในการที่จะวิเคราะห์ตัดสินว่าเออนี่มันเศษกระดาษปัญญาไปขจัดโมหะเพราะขาจัดโมหะได้โลภะมันก็ไม่เกิดมันก็สงบโลภะในกรณีเหล่านั้นลงไปได้นี่ก็หมายความว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยในทงยุทธวิธีเนี่ยรบแจกหักก็รบแจกหักได้ แนววิรัติที่เรเรียกว่าสมุติเฉลยต่อป่าหาเนี่ยคือราได้อย่างเด็ดขาดไม่ใช่ว่าร่าได้ทั้งหมดแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตได้ไหมไม่โกหกเป็นสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นตลอดชีวิตได้ไหมและโดยเฉพาะคือความซับซ้อนในทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสอิดสะเอียนน่าขยะขยะงน่ารังเกียจ ไม่ว่าผู้ชายไปยุ่งเกี่ยวกับพันยาของชายอื่นหรือว่าผู้หญิงไปยุ่งเกี่ยวกับสามีของชายอื่นเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยงน่าสรุปถูกถูนะฮะเรื่องเด็ดขาดได้ไหมรดแตกหักตัวนี้ได้ไหมจะเห็นว่าถ้าเราคิดไต่ดีเนี่ยศีลห้าประการเนี่ยนั้นมีเยอะที่เราทำได้เด็ดขาดชนิดเด็ดขาดนะไอ้ครบห้าข้อเนี่ยอาจจะยากไปหน่อย แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยรุนแรงเอายาบ้านี่เลิกไดเด็ดขาดได้ไหมไม่ยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดได้ไหมปฏิญาณเป็นสัตว์หรือว่าให้สัตว์ปฏิญาณได้ตั้งสัตยาทิฏฐานที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาบ้าเป็นต้นนี่ยมันยังไม่เกิดแต่เราก็ป้องกันป้องกันให้เข้าถึงใจใจมันก็มีภูมิกั้นฐานมีภูมิรักษาจิต ทมัมเราสามารถที่จะคุ้มครองจิตรักษาจิตตัวเองไว้ไม่ให้ไม่พูดบาปไม่ทําบาปไม่คิดบาปป้องกันตัวเองคล้ายๆกับโรคระบาดเนี่ยเรารู้ว่าโรคนี้ถ้าปล่อยให้ระบาดแล้วมาติดเราเนี่เราก็แย่เลมันก็ใช้วิธีการป้องกันแต่ก่อนแต่ว่ามีไม่น้อยนะใหเราลองสังเกตว่า ผู้กบัยมุกก็ดีผู้ศรีห้าก็าดีที่จริงมันหาเรื่องนะฮเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ไปหาให้มันเป็นเรื่องขึ้นมายังยกไปอย่างวัสุราเนี่ยหรือยาบ้าเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าวิธีการหาเนี่ยมันหากันยากเลยถ้ามาในชีวิตเห็นยังไม่เห็นนยนอกจากเห็นเป็นภาพมามีคราวหนึ่งคุณสมัครสุนทะเวศเนี่ยเขาถวายสาราทรงไทยมาหลังเนี่ย สลาเบโบราณนะฮะจากือนจำอังทองเดี๋ยวก็จำหน้าที่ที่เขาขนย้ายเรือนจำไอ้สาราเหล่านี้มาประกอบให้ที่ลัตนากฏิเนี่ยก็นิมนต์ไปดูมีคนเอายาบ้ามาใส่ไว้ที่กระถางต้นไม้เขาบอกว่ายาบ้านะสีขาวๆออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เราเห็นทางโทรทัศน์มันก็สีไม่ใช่ขาว สีเขียวบ้างสีชมพูบ้างอะไรต่อะไรเนี่ยคือปัญหาสําคัญว่ามันอยู่ใกลตัวเราหรือเปลนะ่าเนี่ยคือถ้าป้องกันเนี่ยไม่ต้องป้องกันมันไม่วิ่งมาหาเราแต่ยุ่งที่ยุ่งเนี่ยคือเราวิ่งไปหาเขาเห็นไหมว่าความผิดระดับสีเนี่ยที่จริงเขาไม่วิ่งมาหาเรารเราวิ่งไปหาเขา เราวิ่งไปฆ่าสัตว์เราวิ่งไปลักทรัพย์เราวิ่งไปละเมิดทางเพศเราวิ่งไปพูดโกหกกับบุคคลอื่นเราวิ่งเข้าไปหาใบายามุกเราวิ่งเข้าไปหาสิ่งเสพติดหาเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนในแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นตัวสมาวยามะนี่เราจะเห็นว่ามันไม่เชื่อมโยงกับสมาธิถี่สมาทั้งกะป๋าอยู่นั่นแหละเพราะว่าคนจะต้องมีปัญญาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบในการพิจารณา มองเห็นโทษ้องบาปอกุศลทั้งระดับพูดระดับทำแม้แต่ระดับคิดตรงนี้พูดถึงระดับคิดเลยเนะแล้วก็ไม่คิดมันเนี่ยในคิดมานการพูดที่เป็นบาปก็เกิดขึ้นไม่ได้การทำที่เป็นบาปก็เกิดขึ้นไม่ได้เอาข้อจริงมันก็ไปแก้ไขที่จิตเพียงอย่างเดียวประเด็นสาคัญมันอยู่ที่ว่าทำยังไงจึงจะแก้ไขได้นั่นคือเป็นเรื่องใหญ่ดนั้นถ้าก็บอกว่า พอเอาชนะได้มากหรือน้อยก็ตามนะฮะรบแบบรบคืบเท่าที่รกได้ก็ไม่ใช่ว่ารบแต่ขัดเสมอไปนะแต่ว่าบางเรื่องในแต่หักได้ก็แต่หักเลยบางเรื่องในรบแต่หักไปได้ก็รกคืบครานเท่าที่จะรบไปได้แล้วก็ทํำด้วยการรบความเพียรไปเรื่อยคือต่อเนื่องความเพียรนะต่อเนื่องไปเรื่อยขัดใกล้ๆกับขาดอะไรในขัดไปเตี๊เล็กเตียน้อยก็ขัดเรื่อย มันขัดจะนิงจากเหล็กนี่เราขัดไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าสะอาดได้ทันทีทันใดหรอกที่เสร็จแล้วนี่ป้องกันจิตเอาไว้เนี่ยศักษาคุณภาพจิตไว้ระดับใดเนี่ยก็ว่าครองคุณภาพจิตเอาไว้ในดักนั้นแล้วพยายามต่อไปนั่นก็คือหลักการที่ทรงวางเราจะเห็นว่าเป็นภาพเป็นการเคลื่อนไหวของจิตที่มีพลานุภาพในการทําลายกิเลสซึ่งเป็นปฏิ ป, ปักษ์กับตัวเอง ให้ลดน้อยถอยกับบางลงไปได้โดยลำดับติ้งฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตรง น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี